ณบัดนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เรื่อง ที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีหมู่ครอบครัว เมื่อได้ไม้ตามต้องการได้ไม้ตามต้องการต่างพากันล่องเรือลงมา แล้วล้มตัวลงเอ๊ะ 3 โอ้โหดูสิเฮ้ยมา อ่ะช่วยกันหน่อยนะครับเอาขวานมาสิอ่ะเปิดปากเอออ้าวเอาเอา ช่างไม้ช่วยเราที่ ก็ช่วยกลิ่งไม้ให้ช่วยกลิ้งไม้ให้นอกจากนั้นยังคอย เป็นช้างเผือกชาติอาชาไนยมีความเฉลียวฉลาดและ ท่านทั้งหลายดังนั้นตั้งแต่นี้ไปชีวิตแก่นี่ ลูกชายของข้าพเจ้าน่ะตกลงใจเรียบร้อยแล้วที่จะช่วยนี่ฉลาด เวลาทายอุจจระหรือทายปัสสาวะจะไม่ทายลงใน พวกควัน 500 พวกน้อยควานช้างพากันไปตรวจดูสถานที่ พลันกลับมาถึงพระราชวังพวกครูอืมตกลงงั้นพรุ่ง พระเจ้าค่ะเจ้าครับช้างหนุ่ม จึงพากันเดินไปทางเสียงกลองเพื่อถวายการต้อนรับขอเดชะ ขอได้โปรดท่านใดนั้นเองนายควานช้างคล้องเอา ก็ท่านทราบไม่ว่าช้างเค้าทําอย่างนี้หมายความว่ายัง พระเจ้าค่ะอืออ่าเงินไปวางไว้แล้วทําไมจะไม่เดินอีกล่ะฮะอืมนั่น ถ้าอย่างนั้นก็มอบสิ่งของ ถึงขั้นอภิเษกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่พระองค์มุ่งหวังมานาน ล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าโกศล แล้วยื่นคอเสนอต่อวันหากพระนางประสูติพระ พระและในวันที่ 7 พระอัครมเหสีก็ประสูติทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงโอรสพวก ขนาดเดียวแต่เนื่องจากขาดจอมทัพพวกชาวเมืองพารานสีก็เตรียม โอ้ข้าพระองค์โกรธว่าเถรบกับไปอย่างนี้เราคง เพราะอัครมเหสีทรงเห็นด้วยตามข้อเสนอท่าน รู้สึกเสียใจน้ำตาไหลพรากลงอาบแก้มเพราะรู้ทราบ จึงช่วยกันสวมหนังกรอบแล้วแต่งตัวให้เต็มแล้ว ผู้ยังนอนนับแต่นี้ไปจงอย่าได้ประมาทบอนพร้อมทั้งพร้อมจะสู้แทนพระกุมารเตือนว่าขอเดชะนับ ก็ไม่กล้าคิดจะต่อก่อนด้วยไม่กล้าคิดจะต่อกอด้วย นิทานเรื่องนี้สอนให้